ข้อที่สอาทะครั้งนั้นมนุษยษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเศระชมพุทีเปในชอมพุทวีปทั้งสิน้นคุมพังคุมพ า, มพาเป็นพวกและพวกหุตวาเป็นจินตยิงสูคิดแล้วมังคลานี้ซึ่งมงคลทั้งหลายว่ากิงนุโ ข, ขอันว่าอะไรหนอแล มังคลังเป็นมงคลอั ญ, ญบณีโหติย่อมเป็นอิติดังนี้จบประโยคเตสังอัญญบทมนุษย์สานังอารักขเทวตาปิแม้อันว่าเทวดาผู้อารักขาทั้งหลายซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นสุตวาฟังแล้วกระถัาางซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว ตั้งนั้นมนุษยโตจากมนุษย์จินตยิงสุดกคิดแล้วมังคลานี้ซึ่งมงคลทั้งหลายตถาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวจบประโยคเทวะพรามโนอันว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายอิติคือภูมะเทวตาอันว่าภูมะเทวดาทั้งหลาย มนุษสานังอารักขเทวตานังมิตาผู้เป็นมิตรของเทวดาผู้อารักขาทั้งหลายซึ่งมนุษย์ทั้งหลายอาการศัทธกะเทวตาอันว่าอากาศัทธกะเทวดาทั้งหลายตาสังอัญยบทภูมิเทวตานังมิตาผู้เป็นมิตรของภูมิเทวดาทั้งหลายเหล่านั้น เทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายจาตุ ม, มหาราชิกาผู้อยู่ในเทวโลกฉันจาตุ ม, มหาราชตาสังอัญยบทอากาสัทธกะเทวตานังมิตาผู้เป็นมิตรของอากาสัทธกะเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นและอื่นอักนิฐะเทวตาอันว่าอักนิทะเทวดาทั้งหลาย ส, สุทัศีเทวตานังมิตาผู้เป็นมิตรของสุทัศีเทวดาทั้งหลายสุตวาฝฟังแล้วตั้งกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นตาโตตาโตอั ญ, ญบทอัตโนมิตโตจากมิตรของตนนั้นๆคุมพระุมพาเป็นพวกและพวกูุตวาเป็น จินตยิงสุขิดแล้วมังคลานี้ซึ่งมงคลทั้งหลายอุปาเยนะโดยอุบายเอเตนะเอวะนั่นนั่นเทียวจบประโยคมังคลาจินตาอันว่าการคิดซึ่งมงคลอุตตปาธิได้เกิดขึ้นแล้วสัม บ, บัตอัญญบทฐานเนสุในที่ทั้งหลายทั้งปวงยาวะ ท่าสะสหัสสะจักรวาเลสุเพียงไรในหมื่นแห่งจักรวาลทั้งหลายเอวังด้วยประการชนนี้จบประโยชน์จะก็มังคลาจินตาอันว่าการคิดซึ่งมงคลอุปนาเกิดขึ้นแล้วสานั้นอีทางอัญญบทวัตถุมังคลังอัญญบทหตัติอิติ วินิจยังอัปตาเอวะไม่ถึงแล้วซึ่งการตัดสินว่าอันว่าสิ่งนี้เป็นมงคลย่อมเป็นดังนี้นั่นเทียวอัตาสิได้ตั้งอยู่แล้ววาสานิสิ้นปีทั้งหลายทวาทศส12จบประโยคตาทาในการนั้นเทวมนุษยาอันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สเพทั้งปวงทปัปเตตวาเว้นอริยะสาวกเกซึ่งพระอริยะสาวกทั้งหลายพินาแตกแล้วติทาโดยส่วนสทิฐะสุตะมุตวะวเสนาโดยสามารถแห่งทิฐะมังคละและสุตะมังคละและมุตะมังคละจบประโยคเอโกปี อั ญ, ญบยบดุปุขโลอันว่าบุคคลแม้คนหนึ่งนิทังกโตพูดถึงแล้วซึ่งความตกลงยะถาพุจโตตามความเป็นจริงว่าอีทางเอวะอัญญบทวัตถุอันว่าสิ่งนี้นั่นเทียวมังคลังเป็นมงคลอัญญบดโหติย่อมเป็นอิติดังนี้นะอโหอสิ ไม่ได้มีแล้วอัฏะครั้งนั้นสุทธาวาสเทวาอนวาเทวดาผู้อยู่ในพรมมโลกชั้นสุทธาวาททั้งหลายยะตาวารู้แล้วจิตตังซึ่งจิตมนุษย์สานังของมนุษย์ทั้งหลายวิจาริตาวาอาโรเจนติเที่ยวไปบอกอยู่มนุษย์สะปเทในถิ่นของมนุษย์วา่า สัมมาสัมพุทธะอันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากาทยิสติจักตรตัดมังคลังซึ่งมงคลอาจะเ ย, ยนะโดยอันล่วงไปวสานังแห่งปีทั้งหลายทวาทสสนังส2องอิติดังนี้จบประโยคอาถะครั้งนั้นเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายตาวติงสา ผู้อยู่ในเทวโลกชั้นดาวดึงสมาคันตาวามาพร้อมกันแล้วทวาทัศวัตจะเยนะด้วยล่วงไปแห่งปีสิบสองอุปสรรคมิตรตาวาเข้าไปเฝ้าแล้วสักกังซึ่งเท้าสักกะเทวินทางผู้เป็นจอมเทพอาหังสุกราบทูแล้วว่ามาฤษะทข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก มังคละปัญหาอันว่ามงคลปัญหาสมุติตาตั้งขึ้นพร้อมแล้วจุลภาคเอเกอัญญบทเทวมนุษยษาอันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งวันติยอมกล่าวว่าที่ถังอัญญบดโรปังอันว่ารูปอันอันบุคคลเห็นแล้วมังคลังเป็นมงคล อัญญบทหัวติย่อมเป็นอิติดังนี้จุลภาคเอเกเ อ, อัญญบทเทวมนุษยสาอันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งอัญมณ์บทวทันติย่อมกล่าวว่าสูตังสูตังอัญญบทสัจทชาตังอันว่าเสียงอันอันบุคคลฟังแล้ววงเล็กเปิดมังคลัง เป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้วงเล็บปิดจุลภาคเอเกอัญญบดเทวมนุษสาอันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งอัญญบดวทันติย่อมกล่าวว่ามูตังอัญญบดอารมณังอันว่าอารมณ์อันอันบุคคลรู้แล้ววงเล็บเปิด มังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้มงเลบปิดจบประโยคตัดธะอัญญบทปัญหายังในปัญหานั้นไม่ยังอัญญบทนิถังคตาอัญญบทอัมหะจะอันว่า้าโรงทั้งหลายเป็นผู้ไม่ถึงแล้วซึ่งความตกลงย่อมเป็นด้วย อันเยอัญยบดชนาอ น, นิถังคตาอัญญบดโหติจะอันว่าชนทั้งหลายหล่าอื่นเป็นผู้ไม่ถึงแล้วซึ่งความตกลงย่อมเป็นด้วยจุลภาคสาธุวตะดังข้าพระองค์ขอประธานพระวโรกาสหนอตะวังอันว่าพระองค์พยากรห oh ิขอจงทรงพยากร โนแกข้าพระองค์ทั้งหลายยะถาสภาวะโตตามความเป็นจริงอิติเดังนี้จบประโยคสัโกอันว่าเท้าสักกะปุชิตรัสถามแล้วว่ามังกรั ก, กถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลอายังนี้สมุทิตาตั้งขึ้นพร้อมแล้วกาถา อัญญบทฐานเนในที่ไหนปัธมังก่อนอิติดังนี้จรประโยคอัญญบทเทวตาอ่านว่าทเท ว, วดาทั้งหลายอัญญบทอาหังสุกราบทูนแล้วว่าวงเล็บเปิดมังคลางกถาอ่านว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลออย่างนี้สมุิิตาตั้งขึ้นพร้อมแล้ววงเล็บปิด มนุษยะโลเกในมนุษย์โลกปัมังก่อนอิติดังนี้โจประโยคอัญญบทสักโกอันว่าเท้าส ก, กะอัญญบทปุจิตราถามแล้วว่าพคะวาอันว่าพระผู้มีพระภากเจ้าวสติยอมประทับอยู่กาถาอัญญบทฐานีในที่ไหนอิติ ดังนี้จบประโยชนคงในเปิดเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายอาหังสุกราูทแล้วว่าเพคกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวสติยอมประทับอยู่คงในปิดมนุสสโลเกในมนุษยโลกอิติดังนี้จบประโยคสังโกอันว่าเทา้าสกะวัตวา ตรัแล้วว่ามาริสะดูก่อนท่านผุ้นิระทุก์ทั้งหลายตินะหถ้าอย่างนั้นตุมเหห์อันว่าท่านทั้งหลายเอธะจงมาจุลภาคอัญญบทมายังอันว่าเราทั้งหลายปูชามะอยากทูลถามตังอัญญบทมังคละปัญหังซึ่งมงคลปัญหานั้นพระควันตัง กับพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติดังนี้อาณาเปตตาวะทรงสั่งบังคับแล้วเอกังเทวปุตตังซึ่งเทพบุตรอง์หนึ่งว่าตวังอันว่าเธอปุชชะจงทุลถามพระกวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติดังนี้อาธายะทรงเ่าแล้วเทวะขนัง ซึ่งหมูแห่งเทวดาอาขันติเสด็จมาแล้วเชตวานังสู่พระเชตวันจบประโยคอาถากครั้งนั้นเทวปุตโตอันว่าเทพบุตรโสนั้นอภิวาเทตวาถวายบังคมแล้วพระกัณตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเทตวายืนอยู่แล้วเอกมันตัง นะส่วนที่สุดข้างหนึ่งปุจจิทูนถามแล้วมังคละปัญหงซึ่งมงคลปัญหาจบประโยคพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิสัชเชนโตเมื่อทรงแก้ปัญหงซึ่งปัญหาต่างนั้นตัสสะอัญญบทเท ว, วปุตรสะของเทพบุตรนั้นอาพาสิ ในตรัสแล้วสุดตังซึ่งประสูตรอีมังนี้อิติดังนี้แลจบระโยคอุปติกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นเอทะอัญญบดมังคละสุเตในมงคลสูตรนี้ออย่างนี้ตาวะก่อนจบระโยคข้อที่หสุตวะวะถานัง อันว่าการกําหนดซึ่งพระสูตรอัญบบทไมายาอัญคาบเจ้าอัญบบทวุจเตเจะกล่าวจะประโยคนิธานะวัจนะอันว่าคําอันเริ่มต้นเอวมัมเมสุตังอิติอาทิมีคําว่าเอวมัมเมสุตังดังนี้เป็นต้นตัทธะอัญบบทมังคลาสุตเต ในมงคลสูตนั้นอานัน ท, ทเถรเรนะอันพระเถระชื่อว่าอานน์ธรรมังสังขายันเตมหากัสปัเถรเรนะปุถีนะผู้อันพระเถระชื่อว่ามหาัสปะผู้เมื่อสังขยานาซึ่งพระธรรมถามแล้ววุตตังกล่าวแล้วอรหันต์สตานังแก่ร้อยแห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย ปัญจัง น, นังห้าปธรรมะมหาสังคีติกาเลในการเป็นที่สังคขยนาใหญ่ครั้งแรกจบประโยคเอกาถาอันว่าคถาหนึ่งว่าพระหูเทวามนุษสาจะอิติเด้งนี้เป็นต้นเทวตายะอันเทวดาอันยบุตรวุตตากล่าวแล้วจบประโยคเอกาทัสะคถา อันว่าพระคาถาสิบเอ็ดทั้งหลายอาเสวนาจะพาลานังอิติอาทิกามีพระคาถาว่ า, อาเอเสวนาจะพาลานังดังนี้เป็นต้นพระคัตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอัญบดวุตตาตรัสแล้วจบประโยคนีคมะว่าจะนังปิแม้อันว่าคาอันลงท้ายว่า อิทมโวจ่ากพระกวาอัตตมนาสาเทวตาพระกวโตภาสิตังอภิณทิตวาพระกวันตังอภิวาทิตวาตัดเถวันตรัฐายิอิติดังนี้อานันทเถเรนะอันพระเถราชื่อว่าอานอน์มุตตังกล่าวแล้วจดประโยคอัญญบทวจนังอันว่าคําว่ามังคลสุดตังอันว่ามงคลสูตร อิติดังนี้อัญญบทปันฑิเตนะอันบันดิตตังเอตังสัพพังปีอัญญบทวัจนังสมโมทาเนตวายังคำนั่นนั้นแม้ทั้งปวงให้ตกลงพร้อมแล้ววัจติย่อมเรียกจบประโยคเจหากว่าอัญญบทปุจจาอันว่าการถามว่า นิทานะนิค่ะมะว่าจะนังอันว่าคําอันเริ่มต้นและคําอันลงท้ายกิมมัตถังเป็นคํามีประโยชน์อย่างไรอัญยบดหัวติย่ำเป็นอิติดังนี้อัญยบดสียาพึงมีไซจบทะประโยควิสัชนัชนงอันว่าการแก้ว่าอัญยบทนิทานะนิค่ะมะว่าจะนัง อันว่าคาอันเริ่มต้นและคำอันลงท้ายอัญบทอันทีนกลางเป็นคำมีประโยชน์สุตสาติวิทะกัลยาณนะปริปูรณถังเพื่ออันยังความงามมีอย่างสามแห่งพระสูตรให้เต็มอัญบทโหติย่อมเป็นอัญบุตรอิติดังนี้อัญบทตรพระวะิพึงมีจบประโยค ฮิจิงอยู่มังคละสูตรตงปิแม้อันว่ามงคลสูตรอาทิกกะละยาหนังชื่อว่างามในเบื้องต้นนิธานีนะเพราะคำเริ่มต้นปริโยสานะกะละยานังชื่อว่างามในที่สุดนิขเมนะเพราะคำลงท้ายมัจเจนะกะละยานังชื่อว่างามในท่ามกลางตะ ทุพยะมัจฉีนะเพราะท่ามกลางแห่งคำเริ่มต้นและคำลงท้ายทั้งสองนั้นอิติดังนี้แลจบประโยคสุตตะวะวัฒนังอันว่าการกำหนดซึ่งพระสูตรเอธะอัญญบทมังคละสุเตในมงคลสูตรนี้อีทังนี้จบประโยค